50 languages. Ninety-three. Teraname. a n u p r a น o b Chai ่ ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่เมนูพาวจะกลับมาหรือไม่เนูพ่รวาะับมาหอไม่จารวาับหไม่ทารว่าัไม่เขาราจะโทรบมาหรือไม่เมนูพว่าะารเมนูพเจา่วจะมาหรือไม่เมนูพเจ้าไรูาจาไม่นเจาไม่ราจกันูพจไม่ร้กลับไเมนูพ้ไ้ากลัรอเมนูาราะหรือไม้าไ เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้คิโอวัปัสอกเขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้คิโอฟนก็อรก็ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมเมนูนี่พูดาึงคิโอเมเรบารดไัไดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม เมนู नहीं ู ता ่าเ i าพูดโกหกเมนูไม่ว่าเขาพดโกหนูไม่รูว่าเขาพูดโกหกเมนูไม่รู้ว่าเขาพูดโกหกเมนูไม่รูว่าเขาพูดโกหกเมนูไม่รู้วาเขาพูดโกหกเมนูไม่รู้่าเขาพโกหกรูาเขาพูดโกหกเนูรู้าเขาพูดโกหเม่รู้ o ่าเขาพดโเน่าาหน่รเห่ราเขโ่รามรวโหรู เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้เฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ันฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่เมนู ल व ื क क न न ่ाเ करेगा ไा नहीं เขาจะชอบฉันจริงจังไหม कि मैं स च, च म ुง उ स จุ चंगी ल ग กीลाกดีฮไม่เขาจะเขียนมาหาฉันไหมที่วเมนูลิขิตจะจะไม่ เขาจะแต่งงานกับฉันไหมมนวเย